เกิดขึ้นจากนี้านาศาสนาพระพุทธเจ้ารู้เห็นก็เกิดขึ้นจากนี้พิจารณาอันนี้ละถอนอันนี้บำเพ็ญอันนี้ให้ดีเด่นขึ้นดังนั้นเราทุกท่านก็มีกายมีจักรวาจานีใจเหมือนกันพยายามแต่ทาบําเพ็ญชำระส่วนที่ชั่วบําเพ็ญส่วนที่ดีเลื่อยไปก็จะถึงที่สุดที่มุติคาน เหมือนอย่างาพวกผู้ใจเจ้าหรือเหล่าสาวขั่วไปอย่าไปสงสัยว่าเราอาภัพอบวาสน า, ภาเราเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันอะไรทุกอย่างมีครบพอบริบูรณ์ไม่ใช่ขาดตกบกพร่องอะไรมันกำหนดที่จะนากายใจของตนหาความสุขจากอาจจากทำจิตมันเห็นมันเป็น จะมีมีการท่องสยจะไ ม, ม่กล่าวตูดูหมิ่นตัวเองว่าเป็นคนอาภัพอาบาับวาสนาตาตั้งหน้าต่้งๆาจะทํมรรคเชนจริงจังจะเห็นจะรู้มีการพิจารณาธรรมะการฟังธรรมะให้ฟังจากตัวข้องตัวจะไปฟังจากที่อื่นดีชั่วอยู่นี้ศีลสมาธิสัญญาอยู่นี้วิชาวิมุตอยู่นี้ โลภโกดหลงก็อยู่นี้เมือพิจนาถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตมันจะฝืนไปยึดไปถือมันยึดมันถือไม่ได้พอมันเห็นเป็นความจริงอย่างไรมันจะต้องปล่อยไปตามสภาพของมันจากนั้นขอปวกฉันทุกคนจงนำเอาธรรมะเสียที่บายมานี้ ในทีนี้ที่จเจรานาแล้วฝึกกายวายจาตร้องตนต่อแต่นั้นก็จะมีความสุ ข, ขความเจริญในอาวาสานการอธิบายธรรมะขออำนาจคุณพระสีรัตนใจยงคุ้มครองวางปกผูกสันทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจหล า, ายคณะสิ่งใดขอสิ่งนั้นจนสาเร็จตามความมุ่งหวังโดยทั่วนาดกันเทินเยวังแล้วจะทำเขาไปสู่ใจกาจนเกิดความหมุนวเียร้อน ทำประจําหล่อเนลนียงหัวใจแล้วใจจะเย็นใจจะสบายธรรมะที่พระพุทธเจ้านํามาสอนสาวกหรือสาวกนํามาสอนสาวกต่อต่อกันในสมัยที่พุทธการก็ไม่ได้ยืดยาวมากมายอะไรนักแต่พวกเรานั้นพอได้ยินไปฟังแล้วนำไปขบคิดพิจรนนารณา ยังที่ท่านแสดงสั้นๆอย่างพระอาชาิเสกแสดงแกอุปจิตตะทว่าธรรมทั้งหลายเกิดมาจากเหตุจะดับเพราะว่าเหตุยงแค่นีอ้อุปจิตตะนำไปถบคิดพิจารณากระไ ด, ไดเห็นดวงตาเห็นธรรมนี่พวกเราท่านระดับเ่าฟังธรรมธรสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าจะมากมาพอสมควรแต่จะไปคบคิดพิจารณา จริงจันั้นรู้สึกว่าจะเบาบางไปจิตใจจึงไปแม่คล่องสจิตใจจึงละถอนเร่งยึดถือต่างๆไได้ที่ว่าทาทั้งหลายเกิดจากมาแต่เหตุเหตุคืออะไรเหตุก็คือหัวใจของเรานี่นะ่ะเรื่องอืนอ่นเหตุที่จะยูงยง่งเยืงเถิเชิหรือสองบลังอับก็เรื่อง ห, หัวใจไม่ใช่เรื่องของร่างกายปกติ โรธโกรธหลงยิศาพยาบาทต่างๆเกิดขึ้นมาจากหัวใจใจผิดคิดผิดลงผิดใจผิดคิดไปในทางชั่วทางต่ำเมื่อมันคิดผิดลงผิดไปอย่างนั้นาควรจะโกรธก็โกรธควรจะโหลงก็หลงควรจะตำหนัดยิดีเถื่อนตำหนัดยินดีเถื่อนไปตามเรื่องเหล่านั้น คือจะทำสกิดมาปะเกต์เกตตัวคือหัวใจของเราเองปากเกต์ดีขอคอยที่จะให้จิตใจของเราสงบลังงับทวาโลกความโสดความหลงควรจะมีควรลงัลงงบดับหมุนไปเพราะเกตของใจดีควรจะโสดคนนี้เนี่ยตาเึิดมาแทนควรจะโลภก็ไม่โลภเพื่อควรจะหลงก ในครควรพิจารณาสี่ขั้นเห็นตามเป็นจริงควรจะกำหนัดยินดีกับพิจารณาตามสภาวธรรมทีเป็นอยู่ผู้เห็นตามเป็นจริงก็ไม่กำหนัดยินดีไปตามสิ่สิ่ อ, อยู่อยุต่างต่างจิตใจเป็นตัตวสําคัญในธรรมะท่านจึงว่า <c oughs> มโนภูมิทางสมาธมามโนเสถ่า ม, าา ม, ามโนไว้อยา่าง ทำทั้งหลายมีใจถิ้งก่อนมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดเมื่อดับเราจะดับที่ไหนพอใจที่มันลรงผิดคิดคิ ด, ดทำให้ตัวได้รับความเดือดร้อนอุ่นวายต่างๆเราก็ดับตรงนั้นแหละคือไฟมันเกิดึ้นที่ไหนก็ดับที่นั้น มันทันกี่ไหนก็ต้องเตาที่นั้นมาอย่างนั้นไม่หายทันหัวใจของพวกเราท่านที่คิดตรุงฝ่งไปโดยไม่ได้คิดว่าการคิดการปรุงของใจนั้นเป็นไปเถื่อทางสะสมชี้เล็ดหรือเป็นไปเถื่อการละถอนไม่เคยได้คิดยิ่งสอนคิดของตัวไม่ได้เคยคิดเคยปรุงเคยฝู ง, เ ค, งเคยไปอย่างไรก็ปล่อยไปตามสภาพของมัน เมื่อทางชั่วทางเสียมีกำลังมากก็ทำให้จิตใจเศ่้าหมองจิตใจขุนมัวจิตใจเป็นทุกขเดือร้อนฉะนั้นการดับเรื่องของใจจิตใจคิดคิดที่ทเจนาในทางเสียหายก็อาศัยปัญญาสติตามรักษาสืกรู้อยู่เสมอไปหัวใจเดี๋ยวนี้คิดกุง ปรุงไปในเรื่องอะไรความคิดปรุงส่วนนี้จะทําให้เกิดสติปัญญาวิชาวิมุตหรือไม่หรือจะเป็นไปเพื่อภพชาติเป็นไปเพื่อสมุทยัยสะสมกองกิเลสกองทุกข์แ ห, ห้แก่ตัวคงตัวผัวมีสติรู้จักความคิดปรุงของใจมีปัญญาที่จะรดนาแก้ไขอยู่อย่างนั้นใจของพวกเราท่านที่เคยดื้อดึง ให้ฟุงกลุงกว่าสงบระ ง, งับลงเพราะเห็นเหตุเห็นผลว่าการคิดรุงปุงไปไม่มีกำไรอะไรนอกจากจะนำทุกมาให้ส่วนการทำความสงบเย็นใจนี้มีความสุขถ้าคิดถ้าปลุงกว่าให้คิดในด่านประมาฐานด่านธรรมะ หัวละถอนแจกไขยเสี่ยงทิ่ขับคลองท้องใจหรือคนที่ยังไม่มีพื้นท้องความสงบก็คูมั่นในสมถานบทใดบทหนึ่งเอาไว้รักษาตามเรื่องข้องผิดท้องใจหรือปุ่งไปตามธรรมดาเราเคยปล่อยมาเป็นเวลานานปีไม่เคยได้รับ คุณงามความดีอะไรจากการคิดทรุงเหล่านั้นแบบนี้เรามาสงบกายสงบจิตมาทีีพิจรารณาทาเราจะหัห้ามมีสติประจําสม่ำเสมอการคิด้ายนอกน่าจะมาลบควนเราก็มันติดตามจะพุดขึ้นจากดวงใจเอง พยายามระงับคิดเห็นว่าบทบริกรรมของตนี่วนบริกรรมอยู่นั้นจะนำความสุขความเจริญมาให้จะมีอะไรที่จะดีเวกเศตเข่าทำไหมจะทำบริกรรมอยู่นี้เชื่อมั่นอย่างนั้นอารมณ์ส่วนอื่นจะมาผ่านหรือยงลงขึ้นจากใจเราไ่ติดตาม ในเกี่ยวข้องตั้งหน้าพยายามรักษาธรรมวิริกรรมของตนจนจิตกับธรรมวริกรรมเป็นอันเดียวกันสัมผัสกันอยู่สม่ำเสมอความเบาสบายที่จิตไม่จิตปรุงไปทางนอกครอยเบาครสบายไปจิตใจถหาหกสัมผัสอยู่กับบทธรรมอย่างนั้นค่อยๆจะลงรวม ของจิตฐ า, างท่านบางคนมีนิสัยขาดฝนฝอยจะลวงวุ้บลงทีเดียวบางท่านบางคนก็่อยจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเหมือนทิ่งก่อนดินหรือก่อนหินลงสู่น้ําค่อยจมลงจมลงจนถึงที่คือถึงเคพื่อนดินธรรมดาจะไมีการหวันห่นไหวโย่จมหยิบลงไปอีกจิตใจบางนิสัยค่อยละเอียด ลงไปละเอียดลงไปแล้วก็ไปตั้งมั่นดิ่งอยู่อย่างนั้นอารมณ์สัญญาต่างๆจะขาดไปทำบริกรรมในขณะที่จิตเป็นอย่างนั้นจะไม่มีจะเป็นความอัศจัร์คือมีความสุขมีความรู้อยู่กับความสุข น, นั้นขาดขันจะนั่งหรือที่ชั่วโมงภาจิตไม่ถอนขึ้นจากความเป็นอย่างนั้น จะไม่มีวันบาเจ็บนั่นปวดนี้จะไม่มีขาดคิดแต่เรานั่งนานขนาดนั้นขนาดนี้เพราะจิตม่ปรุงมาทางนอกจิตสงบรวมอยู่อย่างนั้นมันอัศจรรย์มันเบาสบายและเห็นความสุขของธรรมด้เชื่อมั่นในการปฏิบัติต่อไปถ้าหายังไม่เห็น ตามสู่ส่วนนี้ความลังเลสงสัยของใจก็จะลังเลงสงสัยไปเพราะว่าอย่างนั้นดีเพว่าอย่างนี้สุกหรือธรรมะบทนั้นธรรมะบทนี้เพราะว่าภาวนาง่ายทําไปช่วงระยะเวลานิดหน่อยก็ได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้มากอยัดอยจะคุกคําผูดของคนอีกนรือแต่คุกเงาไปก็เลยไม่ได้ผ ล, ไ ด, ผลได้ประโยชน์อะไรผูกมันม่นว่ะทาบนิกรรมพวกเราที่ บริกรรมอยู่นี้อันนี้แหละเป็นของดีของวิเศษถ้าหากเราเล้วไหลไม่เอาจริงในวันนี้หรือไม่เอาอันนี้เป็นของจริงเป็นที่ผื่นของเราแล้วอันอืน่นเมื่อไปทํามันก็จะสงสัยเลื่อยไปไม่จะไม่ได้กระทอะไรจากการภาวนาไม่จะสงสัยตัวเหลื่อยไปบางทีก็จะตัวนี้บุญวัดชนะน้อย ทำขนาดนี้ยังไม่รูม้มาเห็นจะคิดลงไปต่างๆถ้าหากเราปลูกมั่นอย่างนั้นเป็นอย่างไรเป็นเป็นการถ้าหากยังบริกรรมได้แล้วจะบริกรรมอย่นี้ไม่เสื่อนที่ไปสืบสัญญาเอามาันอีกจิตจะรวมได้ลงได้จะเห็นอ น, นิสงส์ของการภาวนาความเบิกบานความเยือกเย็นของจิตพอจิตของเราเบิกบานจิตของเราเยือกเย็น จิเราเห็นทำอย่างนั้นเยัดเย็นไปหมดไม่มีอะไรเป็นข่าสึดสัตตูรู้สึกว่าเยียบเย็นเป็นสึกดูผู้คนดูสัตว์ดูต้นไม้อะไรเย็นไปทั้งหมดเพราะจิตใจมันเน ย, ย็นถ้าจิตใจเห็นจิตใจเป็นอย่างนั้นจะเชื่อมั่นแต่เพียงจิตสงบเพียงแขนี้ ก็ยังมีความสุขความสบายขนาดนี้ถ้าากินละทอนกิเลสได้จริงจังจะมีความสุขขนาดไหนศรัทธาความเชื่ออยู่ในใจจะเกิดมีพลังขึ้นดังนั้นการ ท, ทันติดตามใจเบื้องต้นขอให้ฝึก็บรมตนให้อยู่ในธรรมวลีกรรมให้อยู่ในบทธรรมอันใดอันหนึ่งเพื่อความสงบ แต่สงบยังไม่ได้หมายแค่ น, นันนิสงผู้ที่สอนเรื่องความสงบเจะก่อนมีหมายถึงผู้ที่มีจิต จ, จ, จิตเจ็ดปรุงไปมากแต่หากไม่มีการลงรวมไม่มีความเห็นแยกไปจากในจิตาผู้ที่มีอุป น, นิสัยมีปัญญากับสมาธิไปด้วยกันยังได้ยินใน้ฟังใส่เิ็ที่จะได้นา ก็สงบปัญญาก็เกิดเห็นขึ้นพร้อมกันไปอย่างนั้นก็ไม่ต้องวุ่นากรรมสั่งมันพิจารณาอะไรก็ชัดเจนเห็นขึ้น ท, ทั้งตามสงบก็เกิดทั้งปัญญาละถอนตัมีแบบนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เรื่องของจิตเราใครไิ่จิตตามอารมณ์ มันเป็นแบบนั้นหรือมันเป็นแบบไหนถ้าหากเราจะปล่อยให้มันพุ่งครุงดูเลือ่อยไปสงสัยตะคุกเงามันต้องมีเวลาทันเราต้องตั้งมัน่นผูกมัน่นกับอารมณ์ที่เราบริกรรมอยู่นี้เป็นสิ่งที่จะนำความสุขความเจริญ ม, มาให้จังจิตจังใจบริกรรมจริงจังและจิตจะรวมรวมเป็นหนึ่ง เราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนผมะพุจ้าท่านท่นละเสด็จชมเยเวาจิตสงบล ง, ร ว, งรวมมีความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนั้นเคยเห็นแต่สำหรับตมราหรือครูอาจารย์แน่สอนตัวของเรายังไม่เคยเห็นเคยเป็นเมื่อเห็นเมื่เป็นด้วยตัวเองแล้วรสชาติของอัดคำเป็นอย่างไรนีอะไรที่จะเทียบกับความเห็นความเป็นอย่างนี้ จะคิดไปหาอะไรมาเทียบความสุขของใจที่สงบไม่มีในโลกอันนี้ที่คนหลุมหลงเกิดเกินไปต่างๆเพราะยังไม่เห็นยังไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จะไม่มีการเกิดเกินหรือลุมหลงไป้าใจเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาจะมีความสุขอันมหาศาล ความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเมื่อความเชื่อมั่นเป็นอย่างนั้นความเปลี่ยนมันก็เป็นเองใส่ส่องในบังคับบัญชาพอความเห็นความเป็นของใจเห็นเด่นลงไปเหนยปั่จัดตังคือตัวเอ ง, องการภาวนาการทาําความผากความเปลี่ยนที่จะเชื่อมั่นเป็นตัวคงตัวได้เับขอขาอาศัยความเห็นความเป็นของใจ าศาสนาขัา้นเชิงนี้สอนให้บำบูงใจให้อบรมใจให้ฝึกใจจิตตังมันตังสุขาวะหังเพราะจิตที่ฝึอกอบรมได้ดีแล้วนำความสุขมาให้ความสุขของจิตที่อบรมได้ดีอย่างนั้นในเมื้อความสุขเกิจดจากอาณิสเป็นความสุขที่ประเสริฐ เลื่อลอยวิเศษกว่าเรื่องของอา m i t ไม่อย่างนั้นท่านที่เคยเป็นกษัตริย์เคยเป็นเศรษฐีก็จะมีความห่วงใยในต้มบัตในยศถ้าบรรดาศักดิ์ต่างๆแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าท่านเห็นท่านรู้อาจทำเกิดจากการปฏิบัติของท่านท่านไม่มีวันลืมหลงไม่มีการห่วงกว่า เป็นเศรษฐมีความสุขเส้นกษัตริย์มีความสุขมียศข้าบรรดาศัตด์มีความสุมขาสาสท่านในหลงในตามเรื่องของอามิตรทายนอกเพราะท่านเห็นธรรมเด่นชัดยิ่งกว่าส่วนอามิตรที่พวกเราติดข้องติดขอพ่อยังไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้แต่นั้นโอกาสเวลาที่พวกเรามาพัดภาวนามาอบรมจิตใจก็คือพาการ ฝึกอบรมให้เห็นให้เป็นเหี้ยวด้วยขอ้อปฏิบัติที่เราเชื่อมัน่นได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์ฝึกอบรมตัวเองี่วบริกรรมพุโทโธธรรมโมสังโฆหรือเจสามะโลมาอะไรได้ทางนั้นยังจกี่บริกรรมต า, ตายตายเท่านั้นถ้าจิตลงร้วนได้โดยอาการอันใดก็ายถือว่าอันนั้นเป็นธรรมสาคัญสำหรับเราจิตมันชอบสําผัส กับอะไรรมบริกรรมบทไหนที่จะทำใจของเราให้ลงรวมได้ให้ยึดอันนั้นจะกาหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้พอทำไม่ได้อยู่ตามตหรับตำราไม่ได้อยู่ตามตาของครูอาจารย์ทําอยู่กับตัวของเราตัวจิดทูก ข, ขอ ง, ของกคือตัวของเรา ผู้เศ้าผู้มังก็คือตัวของเราผูโโลภผู้ขวดผูกงก็คือตัวของเราเราจงที่จะานนามในตัวของเราเองการที่จะในนามเมื่อไ ม, ม่ได้ผลเราสองวันนิรมให้หนักเข้าพอวันนิ ร, ร, รมจิตสงบรงรวมแล้วตอบถอนขึ้นมาพิ่เจรณญาเพื่อการละการถอนให้เห็นแจ้งเป็นจริงและจิตจะปล่อยวางเลือกจิตเคยจิตคล้องเคยกังวล เคยยินดีดเคยเผยเคลนต่างๆหรืออางธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นโอปนายโกให้เราทุกคนน้อมเรื่องต่างๆเข้ามาภายในมาสอนใจของคนหัวใจจะได้รับความสงบสงัดการปฏิบัติไม่อยากไปปฏิบัตินอกให้ปฏิบัติในที่ปฏิบัติกายปฏิบัติใจของตัวพอไปมุ่งไปปรุงส่วนอื่น ตัวเองยังเหนียวอยู่ยังเจนอยู่แต่อยากไปบอกไปสอนคนอื่นอยากไปเนีไปนําคนอื่นนั่นก็เป็นเรื่องจิตเพราะพระพุทธเจ้าสอนตัวของท่านได้สาวกทั้งหลายสอนท่านได้หมดที่เหลือท่านจึงสอนคนอื่นเราสึเป็นลูกศิษย์ของท่านก็ควรดําเนินเดินตามรอยพระบาทของท่าน ดูจะต้องสองสารตนกว่าคนอื่นเสียก่อนแนะสอนตัวให้รู้ให้เห็นให้เด่นให้ดีเสียก่อนเผื่อสอนตัวยังไม่ได้ไปสอนคนอื่นผลประโยชน์ผงไม่มีทั้งตัวเองก็ไม่ได้รับความสุขความสบายอะไรถ้าใจมันสุขมันสบายใจมันหายจากที่เหรศตัญหาจะสอนหรือไม่สอนมันก็คงเป็นคงวาอยู่อย่างนั้น สอนไปก็ไม่เห็นได้อะไรจากการสอนเพราะท่านไม่มุ่งอะไรหมอกจะเมตตาพอจะแนสอนก็แนสอนอยากจะให้เขามีความสุขความสบายแต่ตัวของท่านจะเกิดดีหรือเศษอะไรอีกไม่มีท่านไมสอนท่านปิดปากของท่านก็ไม่เห็นมีความเสียหายอะไรใครจะมาดูหมิ่นนินทาวัดพระไหม้พระ อะไรต่ออะไรท่านก็ไปมีการบั่านไว้และเอีย ง, ยงใไปตามลำลมปากของคนมีการฝึกฝนตัวจึงเป็นของสำคัญของเราท่านที่มีโอกาสเวลามาอบรมภาวนามาฝึกจิตฝึกใจของตนก็คือหากันระวังสังวรจิตให้อยู่ในขอบเขตของอาจของธรรมเมื่อยังไม่เห็นเด่น ในตัวเมือ่อใดก็วพือพยายามฝึกอบรมให้เห็นให้เป็นขึ้นเพราะการฝึกใจในขาดทุน้นกำไรเราฝึกได้นิดหน่อยก็เป็นผลเป็นประโยชน์ฝึกได้มากก็ยิ่งมีประโยชน์มากสำหรับตัวของเราฉะนั้นเมื่อพวกท่านทุกคนได้สำหับรับรฟังธรรมะอย่างที่อธิบายมา จงนำไปผคลคิดที่จะได้นาเมาเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่ชอบจงนำไปปลกปฏิบัติตามต่อจากนั้นก็จะมีความสุขความเจริญแนววารสารการที่บายธรรมะขอคุณพระศรีรัตนไฟและเสียงศักดิ์ศิท์คือบุญถู้สนจงตามคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านได้รับความสุขความเจริญในธรรมะ ทำสองสองของพระเจ้าโดยทัวหน้ากันเถิดเอวัง